พระคถายันทุนยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุตนะสะสัตโตปาปักขะโหทุตสุปินังอากันตังพุท ธ, ธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุตนะสะสัตโตปาปักขะโหทุตสุปีนังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเสมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามะนาปโปสกุนัตสสะสัทโธปาปักเข้าโหทุดสุดปินังอาการตังสังคานุภาเวนะวินาสเมนตุ